ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการวันยายพระสูต์ในวันนี้จะได้พูดถึงใจยมงคลคาถาะจะแสดงถึงการใช้ชำนาของพระพุทมธมีพระภาคเจ้าต่อบุคคลที่คิดร้ายพระองค์ซึ่งข้อความเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วก็มาจากพระสูตรในส่วนต่างๆของประจัยปิฎก แต่พระโบราณอาจารย์ได้มาสรุปเพื่อขอเป็นอนุภาพในลักษณะให้เกิดเป็นสุ ป, ปมงคลกระจัดภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนพุทธเจยมงคลคาถาที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นก็กล่าวจะข้อที่สองข้อที่สาม มันนี้แทาจริงจะ ก, ก็ควรจะเป็นข้อที่สี่แต่ก็ออกจะไม่แน่ใจว่าเคยพูดแตอย่างข้อที่สี่ก็จะขอพูดเป็นข้อที่ห้าไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นข้อความที่ดึงมาจากพระสูตรดังกล่าวแล้วอาจจะเจอพระสูตรที่ไปตรงกับพุทธชัยมงคลคาถาข้อนี้แล้วก็ได้ข้อที่ห้านั้น เป็นการแสดงถึงชัยชำนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีต่อการกล่าวร้ายใส่ร้ายของนางจินจะมานวิกาโดวยวิธีใช้ความสงบแล้วท่านก็กล่าวอ้างสัจจะบา ร, รมีทำบา ร, รมีเหล่านั้นให้เกิดเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกัน มีข้อความมันเป็นเบื้องต้นของเรื่องว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติบังเกิดขึ้นและเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสดาองค์เดียวในหท่านในเจดท่านที่นุ่งกว่าเขาทั้งหมดและทรงสมบูรณ์ทั้งด้านรูปร่างคือดึงคนเข้ามาหาได้รอบทิศทาง ว่าตามปกติแล้วคนเราจะนับถือคนอื่นคือเลื่อมใสคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชมันจะมาอยู่สี่แนวด้วยกันในแรกเรียกว่ารูปปรประมาณิกาคือถือรูปเป็นประมาณสามารถที่จะดึงคนทั้งหลายเข้ามาได้เป็นอันมากกอนนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงสมบูรณ์ด้วยมหาบุริสลักษณะเป็นยอดชายงามที่สุด ดังน้นก็ดึงคนได้มาเยอะทั้งผู้หญิงผู้ชายอาการที่สองเรียกว่าธรรมะประมาณิกาคือให้ความสําคัญแก่ธรรมะคาสอนเป็นประมาณไม่ได้ใส่ใจในรูปอื่นซึ่งธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นสัจะธรรมที่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ทุกการทุกสมัยมันก็ดึงคนประเภทนักปราชญ์เข้ามาเป็นพวกได้เป็นอันมาก กลุ่มที่สามเรียกว่าโคสับประมาณิกาคือถือเสียงเป็นประมาณเหมือนกับติดนักร้องคือใครร้องเพลงเสียงเพราะมันก็ได้พวกยะขายเทพได้เป็นอันมากทีนี้คนที่มีเสียงไพเราะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้านั้นเราเรียกว่าพรอมัสโซโลคือมีเสียงดุดเสียงของผม่มไม่แหบไม่เครือไม่พร่า เป็นลักษณะของเสียงที่กกมกรมเปล่งออกมาฟังชัดถูชัดเจนก็ดึงคนประเภทนี้เข้ามาได้อีกเป็นอันมากตามปกติคนที่เป็นนักปวดนั้นถ้าอยู่หรูหราฟุ่มเฟือยแบบคืรหบดีมันก็มีปัญหาแต่ถ้าอยู่แบบสะดวกสบายสมถะสมถะก็เรียกว่าปอนปอนคือประพฤติปอนปอน เครื่องใช้ไม้สอยก็ไม่หรูหราฟุ่งเฟือยก็เรียกคนให้มานับถือได้พระพุทธเจ้าเองนั้นนับว่าประคันตะกุดีเครื่องนุ่งห่มของพระองค์ก็ธรรมดาสมธรรมดาก็ดึงคนให้เกิดศรัทธาได้มากจากจุดเด่นที่ดึงคนได้รอบทิศถึงทั้งสี่ทิศเช่นนี้เองทำให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ในเวลารวดเร็วก็เรียกว่าเป็นพายุบุกแคมทีเดียว ถ้าเรามองในแง่ประวัติศาสตร์นะครคือการเรียนเรื่องศาสนานั้นคือไม่ใช่อาศัยความที่ตนเป็นศาสนิกใดศ า, าสนิกหนึ่งและจะพูดเชิดชูโดยไม่มีหลักฐานถือมองในแง่ของประวัติศาสตร์แล้วเป็นเรื่องที่น่าตกใจพระพระพุทธเจ้าเริ่มแผ่ศาสนาคราแรกที่จริงก็เป็นการขึ้นไปทางอินเดียค่อนไปทางเหนือเพราะท่านพระพร ะ, ระองค์จัดสรุค่อนมาทางใต้ ก็เป็นการตีประการของศาสนาเจนแตกกระจัดกระจายไปเลยเวลาไม่กี่วันเท่านั้นเองคนระดับใหญ่โตมานับถือมากถึง60สท่านแล้วต่อจากนั้นก็เอาคนระดับนักปราชญ์ที่สนใจในธรรมะมาได้อีกพันคนต่อจากนั้นก็เอานักปราชิอีกสนใจในธรรมะสอ0พันออท่านแล้วก็จากนั้นก็เอากษัตริย์มหาศาล หรือเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยเสนาขราชการเศรษฐีขุนนางบดีเขาเรียกว่าอิสยชนคือกลุ่มคนที่เป็นใหญ่เป็นผู้นําในหมู่มีฐานะสูงในสังคมแต่ว่าจริงบุคคลประเภทนี้เมื่อเข้าไปในที่ใดก็ตามคือนิยมชมชอบในเรื่องอะไรก็ตามคนเป็นอันมากจะประพฤติปฏิบัติตามอยู่แล้วมันลักษณะทางสังคมก็เป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อคนเหล่านี้หันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาก็มีส่วน เป็นอันมากที่ช่วยดึงคนนอกคือชาวบ้านธรรมดาสามัญทั่วไปมาสนใจในพระพุทธศาสนาทำให้การเผยแผ่ศาสนาเป็นไปรวดเร็วโดยเฉพาะการกระทําของพระองค์เองเพียงลําพังคือยังไม่ได้อาศัยพระสาว o ในตอนต้นนั้นก็ดึงคนเข้ามาได้เป็นหมื่นหมื่นแสนแแล้วยังยังไม่ได้เริ่มที่ระสาว o แ้าเป็นคนระดับผู้นำทางสังคมไม่ใช่ว่าระดับธรมธรมดาธรรมดาที่เพิ่มขึ้นมาก็เพียงเป็นตัวเลขแต่เป็นตัวเลขที่น่ากลัวเนื่องจากไปหยิบเอายอดของสังคมเข้ามาเป็นพวกได้ก็ทำให้มีการตื่นตัวขึ้นในหมู่ศาสดาคณาจารย์เจ้าลัทธิทั้งหลายก็พยายามที่จะ เบียดเบียนใส่ใครพระพุทธเจ้าด้วยวิถีทางต่างๆเป็นนันมากซึ่งส่วนมากเรื่องเหล่านี้เราอ่านเรื่องราวในในที่บางแห่งที่เรามาเปิดเผยคือไม่เอามาทั้งหมดในพระไตรปิฎกเพราะมันมากอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องการจะเอามาพูด <c oughs> อันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าพระสาวกภิกษุณีสามเณรีภิกษุส า, นนกษสารพัดนะฮะคืร้ยสีพันอย่างเลย เขาเล่นงานที่มากมว่าขาดความทุกรูปแบบแล้วก็เรื่องที่มากที่สุดที่เราพบมากที่สุดก็คือในวิัยบิดกภิกษุณีกสามนเณรีนางสิกขะมานาซึ่งเป็นนักบวชฝ่ายผู้หญิงที่สืบทอดมาไม่ได้ก็เพราะไอ้พวกข้างนอกนี่ก่อความวุ่นวายมากยกันแล้วในที่สุดไอ้จากความตื่นตัวของประชาชน ก็เรียบาลีประโยคหนึ่งองบุตรโลเกอปนโนปพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยมันเกิดมันแพร่มันไปรวดเร็วคือจากปากสู่ปากข้อค้าวานิีจากออต่างเมืองเมื่อได้ยินข่าวนี้ก็บอกต่อไปประกาศที่ไหนบุตรโลเกอปนโนพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกมันช่วยเป็นโครัวสกเพราะอะไรนะฮะเราต้องรู้ลักษณะทางสังคมกัน อ, อีกทีหนึ่งว่า เป็นสังคมคล้ายๆกับสมัยที่พระเยซูมาเกิดนั่นแหละพวนั้นรอคอยเมสเซียที่พระเจ้าจะส่งมาตามความเชื่อถือของเขาพวกอารยันเองก็รอคอยพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นจึงมีการติดตามในเรื่องนี้อยู่มากพอรู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่ามากันเป็นการใหญ่เลย ทำให้เพิ่มปริมาณศาสนิกในเวลาที่รวดเร็วมากทีนี้ศาสดาเจ้าลัทธิบางท่านเราต้องยอมรับความจริงว่าท่านบางท่านก็ท่านก็ดีนะฮะถึงท่านจะโง่ท่านจะซื่อแต่ท่านก็ดีคือก็รู้ประมาณตัวเองอย่างท่านสัญชัยเว็รัฐบุตรนั้นท่านรู้จักประมาณตัวท่านเองอย่างที่เคยเล่าแล้วก็น่าจะเล่าต่ออีกทีหนึ่งก็คือว่า เป็นคนที่พูดไม่เอาไหนเลยพูดจานั้นไม่เป็นไม่เป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็มีคําคมที่ท่านกล่าวเอาไว้อยู่คาหนึ่งซึ่งน้าศึกษาว่าตอนที่พระสารีบุตรไปชวนท่านมาในสำนักของพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนยอมรับสภาพนะยอมรับสถานะตัวเองยอมรับว่าเป็นคนโง่บรมโง่ด้นะแต่เมื่อคนมานับถือท่านมันก็ช่วยไม่ได้ สาดิบุตรท่านก็บอกว่าอาจารย์เวลานี้พระพุทธเจา้ามังเกิดขึ้นแล้วในโลกนะอาจารย์ไม่ไปกวาพระพุทธเจา้าพวกผมไปกันแล้วอาจารย์จะอยู่กับใครล่ะทันใจท่านตั้งปัญหาถามว่าในโลกนี้คนโง่ามากหรือคนฉลาดมากสาริบุตรก็ตอบว่าคนโง่ามากคนฉลาดน้อยทันใจบอกว่าไม่เป็นไงหราไม่ต้องกลัวยังไงยังไงคนฉลาดฉลาดก็ไปหาพระพุทธเจา้าผู้ฉลาด แต่คนโง่งก็จะมาหาฉันซึ่งเป็นคนโง่ฉันก็สบายกันฉันนไม่เป็นไดรอันนี้เป็นสูตรจี่น่ายกจ้องทันมากไปท่านโล ก, กทัศน์ท่านกว้างขวางและสรุปปั๊บเดียวได้สองพวกท่านั้นเองเรียบร้อยเพราะงั้นคนพวกนี้จึงหากินได้มาตลอดพวกที่อยู่แนวของสนชัยเองแนวของพระพุทธเจ้าก็มาได้ตลอดเหมือนกันเพราะว่าในโลกมีทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาดพอดีคนโง่มากคนฉลาดน้อยผลประโยชน์จากาศาสนา จึงจะตกอยู่ในคนกลุ่มน้อยไม่จะตกอยู่ในคนกลุ่มมากออดังนั้นออท่านเป็นอันมากโดยเฉพาะท่านปุรณะกัสปะซึ่งปฏิจริงท่านก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรคือพวกครูทั้ง6สมัยนั้นก็ปุรณกัสปะมะคคิริโคสานสัญชัยเวรัตตบุตปรปกุฏนะกจายณะอชิตเกศกรรมพลนิครณ น, นาฏบุตรมันก็มี6ท่านออปุณกัสปะกสัญชัยเวรัตตบุตรเป็นลักษณะยอมรับสภาพ คือพระชันมันก็ได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะอยจะไปแข่งดีก็กลายไปเดียวพังเลยท่านก็ไม่ไปกรตือรุนอะไรที่จะไปทำอะไรกับพระพุทธเจ้าหรือท่านมัคคัลิโคสารท่านสัญชัยเวรัตถบุตรกับปักุทะกัธธกจจายนะพวกนี้เป็นพวกอุเฉตทิทิชิก็ไม่ค่อยไปวอร์แวอะไรแหละแต่มีองค์หนึ่งที่ยุ่งที่สุดคือท่านนิครธนาบุตร ท่านนิครนนาถบุตรนั้นท่านก่อนพระพุทธเจ้าหปีก็เป็นศาสนาก่อนพระพุทธเจ้า6กปีเป็นศาสนาที่ว่าสดลัดพันธนาการความคิดหลุดรอดจากพระเจ้ามาศาสนาแรกเพราะศาสนาอื่นทั้งเราอื่นนั้นจะเกาะอิงวัตถุภายนอกมาตลอด เกาะ อ, อิงอะไรก็ไม่รู้แหละเกาะ อ, อิงดินเกาะ อ, อิงภูเขาต้นไม้ฟ้าอากาศพระจันทร์พระอาทิตย์พระพรหมพระศิวะพนาลายก็ว่ามาเลยมันเกาะ อ, อยู่เลยศา ส, สนาเชนเป็นศาสนาเดียวที่สลัดพันธนาการเหล่านี้หลุดคือถือว่ามนุษย์นั้นเป็นเรื่องของมนุษย์ที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองคือมนุษย์จะต้องใช้ความเพียรพยายามของตัวเองแลยจะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ของท่านนั้นเสียนิดเดียวคือต้องทรมานร่างกาย แล้ดูหนาวก็ออกไปนั่งอยู่กลางน้ําแข็งหิมะร้อนจัดก็ไปนั่งอยู่กลางแดดผ้าผ่อนก็ไม่นุ่งอะไรอะไรนี่มันก็สารพัดนะครับท่านเขาทรมานร่างกายถ้่ท่านไปอินเดียก็คงจะเคยพบนะฮะบางทีพบเป็นแถวไปเลยพวกนั้นเนี่ยยิท่ท่านท่านก็ในด้านความอดทนต่อความวิปลิตธรรมธรรมชาตินี้ท่านเก่งแล้วพูดถึงคําสอนนะฮะถ้าเรามองกันด้วยสายตานักศึกษาจริงๆท่านก็เก่งนะ เป็นคาสอนที่ดีทีเดียวสแสดงว่าท่านได้บรรลุอะไรสูงพอสมควรมีลักษณะประณีตส ง, งบแต่ว่าเสียนิดเดียวคือคื อ, ค อ, คอไปทรมานตัวมากไปอย่างเช่นว่าจะนิพพานก็เรียกว่านิร v a n เพรานี้นิพพานง่ายนิดเดียวนะฮะโยมนิพพานแบบเชนได้สบายก็คือไปนั่งอดข้าวไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่ทาอะไร นะแล้วบอกก็อีก15วันนิครนคนนั้นจะนิพานเราก็ไปนั่งเฉยไม่ยอมรับรู้อะไรเลยข้าวปลาก็ไม่กินน้ําก็ไม่ดื่มก็เรียบร้อยแล้วฮะนิพานได้ทั้งนั้น น, ะนิพานแปลว่าตายนะนิพานนั้นแปลว่าตายและตายอย่างทรมานด้วยท่านนิครนนั้นท่านประเมินตัวเองศักดิ์สิททัดเทียมกว่าพุทธเจ้าและออกท่านจะมีความเชื่อว่าท่านใหญ่กว่าเพราะหนึ่งท่านเป็นศาสสดา ก, ก่อนสองอายุท่านมากกว่าสาเป็นกษัตริย์ด้วยกันะ พระพุทธเจ้าเป็นกนรรษัตริย์ราชวงศ์ศักยะท่านการเป็นกษัตริย์ราชวงศ์ลิชวเวก็เรียกว่าเป็นกษัตริย์ด้วยกันแล้วก็เป็นศรราสนาแรกที่เป็นอัเทวนิยมรองออต่อจากพระพุทธศรราสนาะที่ยิงก็ก่อนพระพุทธศรราสนาต้อก็เกิดมาก่อน6ปีท่านองค์นี้มันพระพุทธเจ้ามาเป็นพายุบุกแคมมาบ้านเมืองท่านแคว้นวัดชีทั้งแคว้นเลยมานับถือพูดหมดเลย ถ้าท่านก็เคว้งนะฮะพอเคว้งก็หาจุดตีไม่ได้ก็โกรธพระพุทธเจ้าโกรธพระพุทธเจ้าก็มุ่งที่จะเบียดเบียนพระพุทธเจ้าทีนี้ท่านทั้งหลายได้มองในแง่ของการปฏิบัตินะฮะเรามองในแง่ของการปฏิบัติไว้กิเลสเนี่ยมโลภะโทสะโมหะหรือถ้าเร า, เราเรียงเต็มยศจริงๆนะฮะราคะโลภะโทสะโมหะไอราคะกับโลภะเนี่ยราคะก็คือออกมาทางเพศโลภะก็ออกมาทางรูปธรรม ไม่ว่าจะลาบยศสันเสริญสุขก็ตามก็พวกโลภะมันมันมันมันอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สุขอยากได้สันเสริญแต่เวลาคาเนี้ยมันจะออกมาทางเพศทีนี้พอเป็นนักบวชเนี่ยถ้าไม่ดับกิเลสจริงกิเลสสายนี้แกไม่ดับจริงเพราะจิตมันยังมีกิเลสมันจะดิ้นเพราะกิเลสกรมมันยังมีอยู่เมื่อนั้นมันจะดิ้นมันจะดิ้นออกไปทางไหนออกมาทางราคะไม่ได้มันต้องออกไปทางโลภะพุ่งเลยทางนี้นะมันจะวิ่งขึ้นทางโลภะเลย มันต so so ้องการลาบต้องการยศต้องการจุกต้องการต้องการสันเสริญต้องการสุกก็วิ่งเต้นกันไปดังนั้นบางทีเรานึกว่าเราละกิเลสนะฮะแต่แท้จริงเราก็เพิ่มกิเลสในสายเดียวกันนั่นเองเช่นว่าเมื่อเมื่อวานเนี่ยที่นี่ใช่เมื่อวานซืนหลวงพ่อที่สุราท่านเล่าฟังว่าโยมคนหนึ่งบริจาคสร้างกุฏิหลวงพ่อเองก็หาสมทบโยมก็หาสมทบพอเสร็จแล้วก็ไปบีบไปหลวงพ่อขอเหรียญให้ หลวงพ่อบอกโยมต้องบอกจํานวนเงินที่บริจาคมาเท่าไรแกไม่ยอมบอกฮนะปเข้าตีราคาว่าล้านแกก็ว่าล้านคนมัน่าจะสองล้านแกก็ตีสองล้านไอ้แกบริจาคจริงเท่าไหร่ไม่รู้แกไม่ยอมบอกแต่ว่าตังเงินทางวัดก็สมทบนะฮะนี่เราจะเห็นว่ามันก็เปลี่ยนจากโลภะเปลี่ยนจากโลภะในในเงินซึ่งไม่รู้จาํานวนเท่าไหร่แน่พอสมทบกันหลายสายมาเปลี่ยนเป็นโลภะในในเหรียญเท่านั้นเองพอไม่ได้เหรียญก็เกิดโทสะ เกิโทสะก็เลยก็โกรธโกรธวัดโกรธพระหายไปเลยนี่คือเรื่องของกิเลสกิเลสมันต้องละมันถ้าไม่ละมันแล้วบันดิ้นไม่ต้องห่วงฮะทีนี้ท่านท่านท่านมองดูอีกภาพหนึ่งคือไอของจีนนะฮะคันธีคันธีคันธีคันธีคันธีนั่นคือตัดในสายราคาแต่อย่าลืมไม่ได้ละกิเลสนะฮะกิเลสไม่ได้ละเพราะกิเลสมันอยู่ที่ใจ สายราคาออกไม่ได้ขันธีจึงออกมาในลาบในยศในบริวารขันธีเลยพังเมืองจีนมาทุกตลอดทุกยกทุกสมัยจนไอ้ซูสีเตห์เฮาบอกว่าต่อไปประเทศจีนต้องเลิกขันธีนี่คือลักษณะของกิเลสเพราะงั้นท่านนิครนาตบุตรเนี่ยที่จริงนะั้นท่านไม่ได้หมดกิเลสมื่อไม่ได้หมดกิเลสราคาท่านออกไม่ได้ทางนั้นท่านก็ออกมาในรูปของละเอโลภะคือโลภในลาบใ น, บในยศในสรรเสริญ พอถูกไอ้ลาบยศสันเสริญนี่มันมันมันไปหมดเลยไปขึ้นพระพุทธเจ้าไปขึ้นพระพุทธเจ้าหมดเลยท่านก็เสียเพระเสียก็เป็นโทสะโทสะก็หาเป้าเลยเป้าจะยิงคนไหนไอ้ตัวเป้าเนี่ยต้องหาเป้าเล่นงา น, นได้ไม่รู้จะไปที่ไหนก็สเป็สะปะพอสะเป็สะปะก็ออกพระพุทธเจ้านี่คือแทนที่จะวิเคราะห์ตัวเพราะแบบคนพาลนะ ล, ลักษณะคนพานลจะไม่วิเคราะห์ตัวพอผลเสียหายอะไรเกิดขึ้นแก่ตัวจะวิเคราะห์คนอื่น อย่างนักเรียนสอบตกก็ด่าครูมั่งไปโทษเรนนั้นมั่งโทษดีบ้างบางทีในภ า, ายในครอบครัวนี่แหละบางทีผัวไม่ค่อยมาบ้านก็ไปไปด่าข้างนอกไปด่าคนข้างนอกคือแทนที่จะวิเคราะห์ตัวเองว่าเรามีความบกพร่องตังไงทําไมผัวมันเปลี่ยนแปลงไม่มาไม่มไม่มองอย่างนี้ น, นี่นี่เป็นลักษณะของคนผ่านจะวิเคราะห์ออกข้างนอกแล้วจะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉนั้นนี่โครธมันก็แน่เดียวกันคือแก้วิเคราะห์ออกข้างนอก แทนที่จะวิเคราะห์ตัวเองว่าเอ๊ะมาก่อนคนนับถือเราดีๆทั้ง6ปีทําไมพอพอพระพุทธเจ้าเกิดไปนับถือพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นวิเคราะห์ตัวเองมาหาป้าหาป้าไม่เจอมาหาป้าสเปะสปะพอสเปะสปะก็ชนพระพุทธเจ้าเลยทีนี้แต่ชนพระพุทธเจ้าตัวเองไม่กล้าตัวเองไม่กล้ามันก็ภายในใจจริงๆนะฮะก็รู้สถานะอยู่แหละแต่ว่ามันก็ออกมาข้างนอกก็ย่อยโต ว, วางมาดใหญ่โตเหมือนกันแต่ก็ใช้วิธีรุก ด้วยการให้ลูกศิษย์ยุลูกศิษย์ให้มาเล่นงานพระพุทธเจ้าเยอะเลยนะฮะเยอะเลยส่งมาแล้วก็กลับมาเป็นลูกศิษย์หมดจนในที่สุดนี่ท่านองค์นี้แหละตายเพราะแค้นคือลูกศิษย์คนใหญ่กลับมานับถือพระพุทธเจ้าซึ่งจะเล่าให้ฟังในวันหลังคือท่านจองร่างจองฐานพระพุทธเจ้าตลอดของท่านเลยพระเจ้าไปที่ไหนท่านท่า น, ท, านท่านคอยก่อกวนแต่แปลกนะฮะแปดสีปีไม่เคยพบกันเลยอยู่ด้วยกันในอินเดียนั่นแหละไม่จะส 5, 5ปีมันก็4ีบสาปี 42ปีเพราะท่านตายก่อนพระพุทธเจ้า3ปีที42ปีนะครไม่เคยพบกันศาสดาสองค์นี้แต่ท่านก็รบอยู่เรื่อยส่งกองโจรรบเรื่อยตลอดรายการจ้างคนฆ่านางสุนทรีปริพาจิกามาหมกไว้หลังพระคันตะโกดีของพระพุทธเจ้าน่าเสียวนะฮะเล่นแรงมากเลยอ เ, เอามาหมกไว้หลังพระคันตะกดีเลยเสร็จ แ, แล้วทําหาสงคนที่เอาหาวุ่นมันก็รู้ที่วางศพอยู่แล้ว เด็กก็อ๋มาเจอหลังกูตีพระห ม, รมหาธรรมนาโคดมโจดส่งคนลงไปโจทฟ่วงวุงยุ่งกันใหญ่เลยแต่พระเจ้าแผ่นดินนะท่านรู้พ ร, ร, ระเจ้าเป็นอะไรนี่คืออันตรายพอเกิดขึ้นโดยจะเห็นว่าอันตรายขนาดนี้คณะสงแก้เองไม่ได้ไม่มีทางทําอะไรได้ทางบ้านเมืองต้องเข้าแก้เั้นสมัยนั้นพระเจ้าประเสิทธิ์ทีกก่กศลก็ออกเข้าแก้เลยสั่ง ส, ส, ส, สืบสืบพักเดียวนะครับมาสืบไันได้เรื่องไม่ได้ยากอะไรไม่โยงอะไรง่ายจะตาย ในที่สุดก็จัดการให้ทางบ้านเมืองเพราะทางศาสนาเราจะไม่ไปยุ่งในเรื่องขนาดนี้เพราะเราจะไม่รู้จะทำยังไงก็เล่นเพื่อนเอามาหมกไว้หลังกุฏิเราจะปฏิเสธว่าเราไม่ฆ่ามันก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงก็หาหลักฐานอะไรพระพุทธเจ้านิ่งไม่พูดอะไรไม่รับสั่งอะไรเลยแล้วก็ส่งคนมาโต้ตอบในทางปัญญาคือท่านเล่นทุกรูปนะฮะเรียกว่าลุกทุกรูปเลย ทางปัญญาก็ส่งอภัยราชกุมามาโตพระพุทธเจ้าสรงสัจจะนิก ร, รึงจะเลา่าให้ฟังในวันหลังเนี่ยมาโตพระพุทธเจ้าแต่ว่าตอนท่านกระอักโลหิตตายนะฮะด้วยอุบาลีสรงอุบาลีมาคือเล่นทุกรูปแบบอันนี้วางแผนระยะยาวเ <c oughs> รื่องนางมจินจำมนวิกานี่เป็นแผนระยะยาวของท่านเราแสดงว่าตอนนั้นท่านก็คงจะจนแต้มมาก ท่านทีไปกรุงสาวัตถีไปเที่ยวอินเดียมาคงนึกเห็นนะอารามของท่านนิครนที่รูปคโค้งนะฮะที่รูปโคง้งที่สาเหตุม่เหตุนะฮะที่สาเหตุอ่ะรูปโคง้งก็เยืงกับพระเทศตะวานันก็เดินไม่ทันเหนื่อยอนะ่ะเพราะงั้นอารามจริงๆ ก, ก, ก็อยู่ตรงนั้นแล้วของพระเทศตะวันก็ก็อยู่ก็พูดเฉพาะก็คนเคยไปนะแต่ว่าคนไม่เคยไปก็พูดยากหน่อยเออ ของพระพุทธเจ้าเนีอยู่นอกเมืองพระเจตวันเองนะอยู่นอกอยู่นอกกรุงสาวัตถีแต่เขานั้นอยู่ที่ประตูเมืองสาวัตถีก็ไปมาหาสู่กันได้ต่อมาวันหนึ่งก็วางแผนนะก็หารู้โหดนะคนรอวตาลายแล้วก็น่ากลัวไม่น่าเล่นเลยนะ เ, เล่นเกมนี้ก็มาถึงอะไรนะเรียกนางกินจัมนาวิกานางกินจัมนาวิกาเข้ามาตามปกตินะเป็นเป็นอุปถาญาติ วันนั้นนักบวชนิโครนไม่ยองพูดด้วยไม่มีใครพูดด้วยทั้งหมดเลยนางกินจัมมานะกาก็ตกใจไอ้ทําไมพระคุณเจ้าไม่พูดผอก็เธอเธอรู้หรือเปล่าเวลาเนี้ยพวกเราถูกประมาทสมณโคดมเบียดเบียนพระคุณเจ้าไม่ไปเบียดเบียนใครเขานะฮะคนมานับถือเองถูกประมาทสมณโคดมเบียดเบียนเราไม่เห็นใครที่จะช่วยเราได้นอกจากเธอนางกินจัมมานะพิก า, กาก็ถามวิธีก็ แล้วก็ชี้นะพิธีที่ให้นางกินแต่มันีกว่าใช้วิธีเวลาเดินนะฮะเดินข้าเดินออกนั้งเองฮะคือเวลาชาวบ้านกลับจากฟังเทศให้เดินสวนเข้าไปแล้วก็ออกจากหลังวัดก็เลี้ยวกลับไปอารามก็ท่านไปเห็นที่แล้วท่านจะเห็นว่าเดินมันไม่ยากอะไรนะมันไม่ทันเหนื่อยอะไรนะก็พอตอนเช้าก็เลี้ยวจากอารามอ้อมหลังพรเจดวันมาออกมาออกอีกด้านมางสวนกับชาวบ้านที่มาวัดเออ ตอนเย็นก็ทําอย่างนั้นดีอมก็หมุนนะฮะถ้าท่านที่ไปแล้วท่านจะเห็นว่าวิธีเดินทางเดินมันไม่ได้ยาก <c oughs> ก็เลี้ยออกทางข้างหลังแล้วแกก็กลับทําอย่างเงี้ยต้องหกเดือนเจ็เดือนแปดเดือนแล้วก็ในที่สุดเอผ้ามารัดท้องทําให้โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นพอตัวจริงๆก็ทอดไม้มามัดเอผ้ารัดไว้ข้างนอกทำทีเป็นท้องเพราะว่าที่จริงไอการสวนของแกเนี่ย ชาวบ้านเนี่ยเขาก็สงสยัยเหมือนกันเอ้ยใยนี้ข้าวไปทำไมตอ้องคือว่าตอนคนออกแก่ข้าวนะฮะตอนคนข้าวแก่ออกอะ่ะแล้วก็ออกมาตอนเช้าด้วยใกล้ๆจะเป็นคนนอนในวัดนะฮะใกล้ๆเป็นคนนอนอยู่ในวัดแจะออกมาตอนเช้ามาก็เฉียบขาดมากเหมือนกันเคยแสดงว่าแผลนารืหดของมนุษย์นี่ยมันมันตั้งแต่มีมนุษย์มาแล้วตั้งแต่มีคนมาแล้วก็ณนที่สุดแกก็เข้าไปโจทย์พระพุทธเจา้าในขณะที่กําลังแสดงธรรม ก็ว่าว่าแรงนะฮะแกว่าพระมาสัพณะโพดมพระองค์ดีแต่การบำเรอดีแต่การแสแงหาความสุขเวลานี้ดีฉันมีท้องมีไส้แลยจะว่ายังไงจะให้คลอดที่ไหนหจัดการเองก็ให้ลูกศิษย์ดูหาแต่ น, นานตะวินดีกะเศรษฐีต่้นนางวิสาขาพะคนนั้นก็กกัน็เป็นผู้ใหญ่อยู่ในกรุงสาวันทีเนี่ยจัดการให้คลอดพระพุทธเจ้าท่านไม่รับสั่งว่ายังไงรับสั่งเพียงประโยคเดียวว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้เธอกับฉันนั้ที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เรก็รับสั่งนิ่งเฉยไม่รับสั่งใหญ่นี่ก็เต้นมันค่คือคอฟังดูแคยๆรับนะแค่ๆรับอ่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้เธอกับจันด้านนั้นที่รู้อะไรเป็นอะไรค้ายๆเรื่องจริงแค่ๆเรื่องจริงเพราะงั้นแกก็เต้นเต้นใหญ่เลยดีอกดีใจก็ออกมากับผู้กับชาวบ้านเต้นๆไปแกผ้ามัดในท่อนไม้มันมันไม่ดีนะฮะมันก็หล่นหล่นในความรับทั้งหมดมันก็เปิด เปิดชาวบ้านก็ไล่ไล่แกก็วิ่งวิ่งก็ถูกตอนนี้ถูกผมก็ใกล้ๆกล้กับที่สู่ปฏิปัต็ไม่ห่างกันอะไรอันนี้ก็เป็นชัยชนะด้วยวิธีสงบดวยวิธีสงบคือไม่มีการโต้อตอบอะไรไม่ชี้แจงไม่อธิบายอะไรทั้งหมดเพราะเรื่องทั้งหมดเขาทำเราเองเราไม่มีหน้าที่อะไรที่จะต้องไปโต้อตอบอย่างนั้น แล้วก็ผลกรรมก็เปรดจักทีนี้ท่านท่านก็อ้างเอาอนุภาพการใช้ชำนาญอย่าลืมตัวธรรมะคือสันตินะฮะตัวความส ง, งบเนี่ยความซึสงงบท่านก็อ้างเอาอนุภาพการใช้ชำนาญของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นพุทธชัยมงคลก็ที่เราใช้สวดบทภาหงษ์ก็เรียกถวายผ่นพระนะฮะถวายผ่พระในพิธีทั้งหมด ทีนี้ประเด็นที่น่าศึกษาในเรื่องนี้ก็คือเรื่องการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นเป็นวิธีเฉพาะของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวิธีนี้ว่าจริงรูปแบบเราก็รักษาไว้นะฮะเราสั่งสอนเขาแต่เราก็ไม่ต้องการให้เขามานับถืออะไรชี้แจงแนะนำแต่ก็ไม่เชิญชวนนะฮะจะไม่มีการชักชวนแนวพุทธให้ลองสังเกต ไม่ว่ายุคใดสมัยใดจะไม่มีการเชิญชวนเทศเสร็จแล้วโยมนับถืออย่างนั้นอย่างนี้ไม่อย่างที่เคยอุปมาอุปสัมภาวิธีของขุดนั้นมันเหมือนกับฝนตกมันเหมือนกับฝนตกซึ่งใครมีความพอใจจะรับน้ำก็รับไม่รับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ฝนก็ตกแล้วเรียบร้อยแล้วนาที่ของฝนก็ตกแล้วการประดิษฐสถานพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั้น เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่คนเป็นนันมากแต่ว่าในด้านในด้านบำเพ็ญบา ร, รมีที่เราสวดบทมหาการุณีโกนาโถยดยมงคงเยยินนะในการสร้างบา ร, รมีนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สปพปานีนังจันใช้คำสรสั ป, ปานีนังคือสิ่งที่มีปลามีชีวิตทั้งหลายแต่พอทำงานข้าวมาก็เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ เพื่อประโยชน์เือเกื้อกู ล, เ, กกลเพื่อความสุขแก่คนเป็นนั้นมากไอสัตว์ตั้งหลายนั้นมันได้โดยอ้อมนะฮะเราเทศไอสัตว์ฟังรู้เรื่องไม่ได้เราเพระเรื่องของาศาสนาไ ป, ไปทำอย่างไงไม่ได้แต่เมื่อเราสั่งสอนคนได้เราควบคุมพฤติกรรมคนได้โดยระบบของศีลมันก็ไปแก้ปัญหาเรื่องการเบียดเบียนสัตว์คือสัตว์มันจะได้โดยอ้อมเป็นวิธีการของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าเองไม่ว่าใครก็ตามศีลก็ต้องขอนะไม่ใช่ไปให้กันนะ เรลองวิธีพูดศีลเจ้าสมาทานศีลก็ขอเอาก็ไม่ได้บังคับเราจะต้องรักศีลรับศีลอะไรบวชก็ไปขอเอาสมัครใจเอาเองไม่ได้ว่าอะไรแต่หน้าที่เราเราสอนเราสอนก็เกิดพอใจยินดีก็สอนพระเจาา้าตรักระทำอย่างนั้นพระอานาทั้งหลายก็ทําอย่างนั้นพระสงฆ์เองทุกวันก็ทําอย่างนั้นนี่ก็คือวิธีแบบพุทธที่เราจะถือว่าเราไปแย่งใครมาไม่ได้เราจะถืออย่างนั้นไม่ได้ เราไม่ได้ไปแย่งเราไม่ไปได้ชวนนะเราแนะนําชี้แจงสั่งสอนแต่ไม่ชักชวนแนะนําชี้แจงสั่งสอนแต่ไม่ได้ชักชวนชักชวนก็ชักชวนเพื่อเขาคือชักชวนแล้วก็ทําความดีแต่ไม่ชักชวนให้เขามานับถือไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นนั่นคือแนวพุทธซึ่งไม่เหมือนกันแนวของใครในในโลกนี้นะฮะศาสนาเนี่ยศาสนาทั้งหลายแนวของพุทธเป็นแนวแนะนําชี้แจงสั่งสอนแต่ไม่ได้ชักชวนเชิญชวนให้เขามาเป็นพวกเรา ทีนี้ท่านเหล่านั้นท่านไม่ได้วิเคราะห์ตัวเองเราลองดูนักบวชทั้งหมดโดยเฉพาะท่านนิครนาทบุตรท่านไม่วิเคราะห์ตัวเองท่านเหมาเอาเลยพอพระพุทธเจ้าเกิดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นท่านดังระเบิดก่อนนั้นก่อนนั้น6ปีเนี่ยท่านดังระเบิดเลยเพราะเราเพราะเป็นศาสดาที่เป็นกษัตริย์องค์เดียวอุรนากัสปะนะลูกทาสเขานะฮะอุรนากรสปะคนแรกนะที่จริงเป็นลูกทาสเขา ปูรณาเกษตะคือธาตคนที่ครบหนึ่งรก็เรียกว่าปูรณาคือปูรณาก็คือเต็มนะฮะปูรณาแปลว่าเต็มหรือสมบูรณ์คล้ายๆสมบูรณอ์อ่ะเขาถือว่าเป็นตัวแรกที่เป็นมงคลนายก็ไม่ค่อยใช้ไปไหนมาไหนก็ชวนนายนี่ไปด้วยเพรา ะ, ะนั้นทำให้แกสบายๆภาวันภาวันดีขึ้นดีขึ้นมาแกคิดหนีพอหนีพอวิ่งหนีนายตะครุบ ตะครุบติดผ้าผ้ามันก็หลุดแกก็วิ่งไปวิ่งไปคนก็ตื่นตื่นพระอรหันต์พราะคนสมัยนั้นนอย่างที่อามาเคยเล่าว่าดีที่สุดในคนจะตื่นบ้าที่สุดในคนจะตื่นคือทำอะไรใกล้บ้าไปคนจะตื่นเพราะงั้นลักษณะทางสังคมลองดูนะฮะมันมันจะเป็นวงกลมจะเป็นวงกลมคือจุดสุดยอดมันก็อยู่ใกล้ๆกับไอจุดไอไอจุดบ้ายอดจุดการกระทำของบางอย่างของ เช่นไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ยินดียินร้ายอะไรนะฮะไม่ยินดียินร้ายอะไรคนบ้าเนี่ยเขาไม่ยินดียินร้ายอะไรพระอรหันต์ก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรแต่มันอยู่คนละยอดกันมันอยู่คนละปลายสุดกันอยู่คนละปลายสุดของวงกลมกันทีนี้ในแง่ของวินัยเราลองดูอีกนะพระอรหันต์ยกเว้นไม่ต้องอาบัติคนบ้ายกเว้นไม่ต้องอาบัติมีคนสองประเภทที่ยกเว้นพระอรหันต์ยกเว้นด้วยสติวินัยคนบ้ายกเว้นด้วยอารมณ์หาวินัย แกทําอะไรทําช่างทำควายไม่มีอบัตเลยสักตัวหนึ่งพระหันก็เหมือนกันไม่มีอบัติอันนี้เพราะสมบูรณ์อันนั้นเพราะขาดหมดพระหันเพราะสติสมบูรณ์คือไม่ทําผิดไอ้คนบ้า น, นั้นสติขาดหมดคือคือต้องยกเว้นแกนี่คือลักษณะของวงกลมชีวิตนะเพราะงั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นวงกลมอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่คนละปลายนะไม่ได้เกี่ยวอย่า ว, ว่าพระอรหันกับคนบ้าเหมือนกันนะมันคนละยอดกันแต่ว่าเป็นยอดที่มีลักษณะพิเศษนะ ไม่รู้ร้อนรู้หนาไม่รับรู้อะไรเลยไม่ยินดียินร้ายอะไรเลยนะแล้วก็ในแง่วินัยก็วางไว้สองสองข้อดังนั้นทีนี้คนพอออกมาในรูปนี้มันจะได้สถานะหมดเลยยางที่เคยเล่าเรื่องพายยะธรุจิริยะมนุบัติเหตุเหมือนกันนะเรือแตกแล้วก็ว่ายน้ําผ้าปอหลุดด้วยหมดพอโล่ขึ้นมาคนนึกว่าพระรหันดีใจล้อมกันเลยแกเลยแกวัดูแกนี่คนนับถือเพราะอะไรโอ้นับถือเพราะไม่นุ่งผ้าเลยไม่นุ่งผ้าเลยปูน่ากษัตริย์ก็เหมือนกันก็มีลักษณะอย่างนั้น พอแกวิ่งไปเนี่ยแทนที่คนจะรังเกียจขยะเขยงคนมาล้อมมาไหว้กันว่าโอ้ยพระอรหันต์พิเศษเพราะคนอื่นเขาต้งพลาทั้งหมดแกไม่ต้องพ้าดกนเดียดทั้งๆที่อุบัติเหตุนะอุบัติเหตุคือนายก็กระตุกแล้วแกวิ่งหนีหลุดออกไปไปได้เพราะงั้นแกเป็นศาสดาที่เพื่อนตั้งให้โดยไม่รู้เป็นยังไงอะไม่รู้เป็นยังไงมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแต่นั่นเองท่านจึงไม่ค่อยไม่ค่อยดิ้นอะไรคือมันก็รู้ตัวอย่างที่ว่าเนี่ย แต่ท่านนีโครนนาทบุตรนั้นทั้งก็นแนวเดียวกับกับกับปรุรณกัสสะคือประเภทพวกที่คำพรนุ่งทิศเหมือนกันนุ่งลมเหมือนกันแต่ท่านประเมินตัวท่านสูงคือไม่รู้จักตัวเองแล้วก็ทําให้ประเมินตัวเองสูงไปเมื่อสูงไปได้ลาบได้สาการะได้ชื่อเสียงได้อะไรมาก่อนนะฮะมันก็ควรจะเป็นอยู่อย่างนั้นซึ่งเป็นลักษณะของคนที่มีกิเลสอย่างหนึ่ง เพราะกิเลสเนี่ยมันก็แปลกนะครับถ้าเราโตขึ้นไปเราจะเห็นว่าอย่างไม่ว่าทุกจุดทุกจุดจะเป็นจุดอะไรของสังคมก็ตามคือถ้าเราไม่ละแกแล้วขอแกจะยึดครองเราเพราะแกมากขึ้นะฮะเราอ่อนลงเรากำลังกายกำลังสติปัญญาไรเราอ่อนลงต่อมาแกจะยึดครองเราแทนที่เราจะครอบงำแกได้บางครั้งบางคราวคนอย่างเนี้ยฮะอย่างแม้แต่ผู้บริหารบางคน80บแล้วยังเป็นมาเจ ห้าเจ็ดหาเจ็ดสแปอะไรอะไรก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าตอนนํากิเลสคลองท่านแต่แล้วไม่ใช่ท่างคลองกิเลสนี่คือคือลักษณะของของกิเลสท่านนิโครนาโตบุตรก็ก็มีลักษณะอย่า ง, งานั้นพาะก็จริงแล้วท่านก็คิดว่าสิ่งนี้มันควรเป็นเกิดขึ้นเฉพาะท่านเท่านั้นพอเกิดขึ้นแก่คนอื่นท่านก็เกิดริษยาริษยาก็สเปสะสเปะนี่คือเราจะพบว่ามีลักษณะทางโลกเนี่ยมันทําลายคนไปเป็นนั้นมาก คือคนดีๆเนี่ยคนดีๆที่เขาไม่รู้อิโนอิเนอะไรกับใครเลยแต่มันถูกเพื่อนหาเป้าออกหาเป้าที่ตัวเองเสื่อมไม่ได้ก็หาะเปสป่าไปจนโครมกับคนนั้นเลยคนนั้นก็เลยพลอยเดือดร้อนเพราะการหาเป้าผิดของคนมันพอพออะไรพอโลภะมันเกิดโมหะมันเกิดนะฮะอย่าลืมกิเลสมันเกิดมันเกิดมันจะหนุนกันอะไรเกิดก่อนเกิดหลังก็ช่างมันแหละแต่มันจะเกิดมันหนุนกันหมดเลยถ้าโลภะเกิดโมหะก็ต้องเกิด โลพา เ, าเข้มขึ้นโมหะเข้มขึ้นแล้วก็โทสะนี่พร้อมที่จะระเบิดเปรี้ยงออกมานะฮะถ้าหักออกมาจนมะนึกว่าโลพาสนองตอบได้โมหะจะ ม, มัวเมาอยู่ในเรื่องนั้นแต่พอผิดหวังปั๊บออกมาเป็นโทสะแรงเพราะอัดไปเยอะมันขึ้นตามกันมาเนี่ย ะ, ะตั้งโลภาตั้งโทสะทั้งหมดมันก็อัดโครมระเบิดเปรี้ยงออกไปเลยออกไปทางโทสะทีนี้เลยยุ่งกันใหญ่เลยนั่นคือพระท่านท่านท่า น, ท, า น, ท, านท่านนิโรธนาฏบุตรท่านออกมาในแนวนั้น ทีนี้ลักษณะการตื่นตัวของของคนว่าเกิดนิยมเกิดนับถือเกิดจกจ้องอท่านเหล่านี้จังพวกอุบัติเหตุทั้งหลายเช่นนักปรนักกระสปะเป็นต้นเนี่ยแล้วก็มีเรื่องแปลกเมื่อเมื่อเมื่อวันซืนเนี่ยามาบรรยายที่สุราชมีปัญหาที่เขาถามไปที่วิทยาลัยครูนะปัญหาจังเลยพวกสุราชนักถามจังเลยกองถามตอบไม่ทันนะฮะตอบไม่ทันเพราะเวลามันหมด มันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งว่าที่จังหวัดสุราษฎร์นั้นพวกคริสไปขออนุญาตรักษาคนป่วยสนามของจังหวัดเลยนะครับผู้ว่าเป็นประธานเปิดให้เรียบร้อยเลยสิบห้าวันรักษากันอยู่คนมารอบทิศทางเหมือนกันคนไทยเราเอากับเขาทุกงานแหละไม่ต้องหวงทีนี้เขาก็ตั้งปัญหาถามว่าถึงความเป็นไปได้ว่าเป็นไปได้ในไปไเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใด หายจริงไหมแต่เขาบอกว่ามีตัวอย่างหายจริงอามาก็บอกว่ามันมันก็หลายเรื่องนะฮะแต่ถ้าหายด้วยการดนบันดาลรับรองเลยไม่มีแต่โดยเหตุปัใจจัยในตัวเราเนี่ยพลังในตัวเราเนี่ยสามารถที่จะให้หายได้เช่นมันเริ่มต้นในหน้ามา้าถ้าเราไปอ่านวรรณคดีของไม่เรื่องราวในอเมริกามีเยอะเลยเรื่องมันเนี่ยเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีข่าวอย่างเงี้ยมีหน้ามา้า แบบแบบเล่นไ า, นายซ้ำตัวนี้ก็ใช้กันทุกกรณีแหละแต่เรามันใช้ไม่ได้บาปเป็นมุสาวาตติตะบัติเราใช้ไม่ได้แต่นั้นเองคือคือคือถ้าคนไม่กลัวบาปแล้วมันเล่นได้เล่นหน้ามา้าหน้าม้าจะไปนปนอยู่ในคนกลุ่มหนึ่งกระจอกงอง่อยตาบอดตาถัว่วตาใสาอะไรอะไรก็ว่าไปเรื่อยไปเสร็จแล้วก็อธิบายให้อ้างไอ้สิ่งที่ที่ตัวต้องการให้คนนับถือเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้จะแสดงตัวออกมาแต่ว่าเขาปลุกเร้าคนอยู่นับถือเร คนส่วนหนึ่งนะฮะคนที่ไม่ฉลาดส่วนหนึ่งกูนอ่อนไหวง่ายนะฮะแล้วก็เขาก็ทำก็ทำก็ก็เขาไม่เป็นอะไรเนี่ยฮะชุดนั้นอนะ่ะไม่เป็นอะไรมันก็รักษาก็หายเพราะหายแต่อย่าลืมว่าหายเนี่ยไอ้ไอ้เขเพราะเชื่อให้ศรัทธาไว้ในคนกลุ่มหนึ่งนะั่นพอได้ตัวอย่างปั๊บสถานก็เกิดเป็นทวีคูณขึ้นมาคนนี้จะสามารถหายได้ด้วยกําลังศรัทธาที่เกิดขึ้นภายในใจของตัวเอง อันมาก็เล่าถึงเรื่องอาสะพายซึ่งก็อยู่ที่นั่นพอดีนะอยู่ที่จังหวัด ส, สุราษฎร์นันพอดีสามีเขาเน่ก็เล่าถึงเรื่องที่เรียกลูกกะสุนออกจากหลังทังปัจจุบันก็ยังนอนอยู่บนเตียงน่ยแต่หมอถือประกสนัทธานรื่อการเรียกกะสุนของหมอศยศาสตร์หายไป9ก้าสิบปันห้ามไม่ให้เอ็กซเรย์พอ เลยก้าวตีวันอาก็เอาไปเอ็กซเรย์ปรากฏว่าลูกกระสุนยังอยู่เรียบร้อยอี่ตอนก้าวตีวันแรกนั้นอารจะพายทํางานทําการได้เรียบร้อยเลยนะไม่มีปัญหาอะไรเลยคนสบายสบายพอไปเอาไอ้นั้นออกปั๊บพอพอเอ็กซเรย์ปั๊บพอเห็นว่าลูกกระสุนยังคงเดิมมีตัวก็อ่อนบูบลงเข่ามันอ่อนนอนทุกวันหลายปีแล้วเพราะฉั้นในตัวอย่างในี้บาร์มายกปั๊บปั๊บปั๊บุสุรากฟังออกหมดแล้วมาก็ไปจบอยู่ในย่านลําเท็ง ญาลำเทงที่สุราษฎร์ฯที่ที่นครเมื่อก่อนนะฮะคงได้ยินยารักไรักษาด้วยอะไรญาติลำเทงต้มแล้วก็หายโรคสาราพัดเลยมียังคนอุตสาห์ห่อมาให้อตาตมาทั้งหลายห่อส่งมาจากนาคร น, นี่ก็คือได้ฮะมันเป็นกระตุ้นพลังของศรัทธาคนขึ้นมาเพราะพลังศรัทธาเนี่ยมันเกิดได้ฮะเกิดได้ด้วยความตกใจเกิดได้ด้วยความเชื่อมั่นขึ้นมาไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะกองขี้หมากองเดียวก็ขลังได้ไม่ต้องห่วง ไอ้พวกสารเจ้าบางทีบางแห่งทาไมโบราณจริงๆนะฮะบางทีมันไม่มีอะไรนะฮะเช่นว่าตัวบดไบสุนัขไปถ่ายเอาไว้คนก็เกิด เ, เห็นว่าเพื่อนก็จะเหยียบเอาก็สงสารเดินถืออะไรมาใบ ไ, ไม้ก็มาโยนแหมเอาไว้บางคนก็เดินถือดอกไม้เห็นอย่า ง, างโปรยก็ย โ, ยยโยนแมมเอาไว้อันนั้นก็คนโยนแมเอาไว้มันก็กลายเป็นกองดอกไม้นะกองดอกไม้ก็มาคนก็นึกว่าศักด ศักดิรีก็มาถึงบูชาคนอื่นมาเห็นบูชาก็บูชาบูชาก็สร้างศาลท่านสามกุญแจเป็นเจ้าเวทที่เยียมก็เริ่มในขี้หมากองเรียท่านั้นเองมันไม่มีอะไรนะฮะเราจะเห็นว่านี่คือแนวคือแนวที่มันเสริมศรัทธาทอนนั้นดังนั้นปัญหาเหล่านี้นี่มีความเป็นไปได้ถ้าเราดึงเอาไอ้ศรัทธาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาคำสอนของท่านปรณนากรสปะก็ดีท่านสัญชัยก็ถือว่าเป็นตัวแรกที่เป็นมงคลนายก็ไม่ค่อยใช้อะไปไหนมาไหนก็ชวนนายนี่ไปด้วย เาะันทำให้แกสบายสบายภาวันพวันดีขึ้นดีขึ้นมาแกคิดหนีพอหนีพอวิ่งหนีนายตะครุบตะครุบติดผ้าผ้ามันก็หลุดแกก็วิ่งไปวึ่งไปคนก็ตื่นตื่นพระอราหารันต์เพราะคนสมัยนั้นในอย่างที่อามาเคยเล่าว่าดีที่สุดนี่คนจะตื่นบ้าที่สุดนี่คนจะตื่นคือทําอะไรใกล้บ้าไปคนจะตื่นเพราะฉนั้นลักษณะทางสังคมลองดูนะฮะมันจะเป็นวงกลมจะเป็นวงกลม คือจุดสุดยอดมันก็อยู่ใกล้ๆกับไอจุดไอไอจุดบ้ายอดสุดการกระทําของบางอย่างของเช่นเช่นไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ยินดียินร้ายอะไรนะฮะไม่ยินดียินร้ายอะไรคนบ้าเนี่ยเขาไม่ยินดียินร้ายอะไรนะพระอรหันต์น่ยก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรแต่มันอยู่คนละยอดกันมันมันอยู่คนละปลายสุดกันอยู่คนละปลายสุดของวงกลมกันเอ่อทีนี้ในแง่ของวินัยเราลองดูอีกนะพระอรหันต์ยกเว้นไม่ต้องอาบัติคนบ้ายกเว้นไม่ต้องอาบัติ มีคนสองประเภทที่ยกเวน้นพระหันยกเว้นด้วยสติวิ น, นัยคนบ้ายกเว้นด้วยอารมณ์วิ น, นัยแกทําอะไรทําช่างทําควายไม่มีอาบัตเลยสักตัวหนึ่งพระหันก็เหมือนกันไม่มีอาบัติอันนี้เพราะสมบูรณ์อันนั้นเพราะขาดหมดพระหันเพราะสติสมบูรณ์คือไม่ทําผิดไอ้คนบ้านนั้นสติขาดหมดคือคือต้องยกเว้นแก นี่คือลักษณะของวงกลมชีวิตนะเพราะงั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นวงกลมอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่คนละปลายนะไม่ได้เกี่ยวอยาว่าว่าพระอารหาันต์กับคนบ้าเหมือนกันนะฮะมันคนละยอดกันแต่ว่าเป็นยอดที่มีลักษณะพิเศษนะไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รับรู้อะไรเลยไม่ยินดียินร้ายอะไรเลยนะะแล้วก็ในแง่วินัยก็วางไว้สองสองข้อดังนั้นทีนี้ คนพอออกมาในรูปนี้มันจะได้สถานะหมดเลยอย่างที่เคยเล่าเรื่องพายยะธรุจิรยะมันอุบัติเหตุเหมือนกันนะเรือแตกแล้วก็ว่ายน้ําผ้า่อนหลุดด้วยหมดพอโผล่ขึ้นมาคนนึกว่าพระรหันดีใจล้อมกันแล้แกแล้วแกวัดูวแกนี่คนนับถือเพราะอะไรโอนับถือเพราะไม่นุ่งผ้าเลยไม่นุ่งผ้าเลย <c oughs> ปัวหน้ากสษปะก็เหมือนกันก็มีลักษณะอย่างนั้น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 เพรกิเลสเนี่ยมันก็แปลกนะฮะถ้าเราโตขึ้นไปเราจะเห็นว่าอย่างไม่ว่าทุกจุดอะทุกจุดจะเป็นจุดอะไรของสังคมก็ตามคือถ้าเราไม่ละแก่แล้วขอแกจะยึดครองเราเพราะแก่มากขึ้นฮะเราอ่อนลงเรากําลังกายกําลังสติปัญญาอะไรเราอ่อนลงต่อมาแกจะยึดครองเราแต่ที่เราจะครอบงําแก่ได้บางครั้งบางคราวคนอย่างเนี้ยฮะอย่างแม้แต่ผู้บริหารบางคน80 90แล้วยังเป็นเจ็ด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 โลพาเข้มขึ้นโมหะเข้มขึ้นแล้วก็โทสะนี่พร้อมที่จะระเบิดเปรี้ยงออกมานะฮะถ้าหักออกมาจะสมมติว่าโลพาสนองตอบได้โมหะจะ ม, มัวเมาอยู่ในเรื่องนั้นแต่พอปิดหวังปั๊บออกมาเป็นโทสะแรงเพราะอัดไปเยอะมันขึ้นตามกันมาเนี่ยตั้งโลภาตั้งโทสะตั้งมหะมันก็อัดโครมระเบิดเปรี้ยงออกไปเลยออกไปทางโทสะทีนี้เลยยุ่งกันใหญ่เลนั่นคือพระท่านท่านท่านท่านานีน่โครนาเถรุบท่านออกมาในแนวนั้นทีนี้ ลักษณะการตื่นตัวของของคนว่าเกิดนิยมเกิดนับถือเกิดจกจ้องท่านเหล่านี้จังพวกอุบัติเหตุทั้งหลายเช่นนักปรูณาการศึกาเป็นต้นเนี่ยแล้ก็มีเรื่องแปลกเมื่อเมื่อเมื่อวันซืนเนี่ยมาบรรยายที่สุราชมีปัญหาที่เขาถามไปที่วิทยาลัยครูนะครับปัญหาจังเลยพวกสุราชนักถามจังเลยกองถามตอบไม่ทันนะฮะตอบไม่ทันเพราะเวลามันหมดมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งว่า ที่จังหวัดสุราษฎร์นั้นพวกคริสไปขออนุญาตรักษาคนป่วยสนามของจังหวัดเลยนะฮะผู้ว่าเป็นประธานเปิดให้เรียบร้อยเลย15้าวันรักษากันอยู่คนมารอบทิศทางเงื่นกันคนไทยเราเอากระเขาทุกงานแหละไม่ต้องห่ทีนี้ก็กรตั้งปัญหาถามว่าถึงความเป็นไปได้ว่าเป็นไปได้เนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไร ห, หายจริงไหม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 คนส่วนหนึ่งนะฮะคนที่ไม่ฉลาดส่วนหนึ่งควนอ่อนไหวง่ายนะฮะแล้วก็เขาก็ทำก็ทำก็ก็เขาไม่เป็นอะไรเนี่ยฮะชุดนั้นนะ่ะไม่เป็นอะไรมันก็รักษาก็หายพอหายแต่อย่าลืมมาหายเนี่ยไ อ, ไอ้ไอ้เขาเพาะเชื้อไอ้ศรัทธาไว้ในคนกลุ่มหนึ่งนั่นนะพอได้ตัวอย่างปั๊บสธามก็เกิดเป็นทวีคูณขึ้นมาคนนี้จะสามารถหายได้ด้วยกําลังศรัทธาที่เกิดขึ้นภายในใจของตัวเอง อันมาก็เล่าถึงเรื่องอาสะพายซึ่งก็อยู่ที่นั่นพอดีนะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นั่นพอดีสามีเขาเนี่ยก็เล่าถึงเรื่องที่เรียกลูกกระสุนออกจากหลังทั้งปัจจุบันก็ยังนอนอยู่บนเตียงน่ยแต่หมอถือว่าแกสรัทธานรื่องการเรียกกสุนของหมอศยศาสตร์หายไป90้ปันห้ามไม่ให้เอ็กซเรย์พอ เลยกล้วันอาก็เอาไปเอ็กซเรย์ปรากฏว่าลูกกระสุนยังอยู่เรียบร้อยอีตอน9้าตีวันแรกนั้นอารจะพายทํางานทําการได้เรียบร้อยเลยนะไม่มีปัญหาอะไรเลยคนสบายสบายนะพอไปเอาไอ้นั้นออกปับ RA, ป๊บพอพอเอ็กซเรย์ปั๊บพอเห็นว่าลูกกระสุนยังคงเดิมในตัวแอกอ่อนบูบลงเข่ามันอ่อนนอนทุกวั น, วนหลายปีแล้วเพราะฉะนั้ในตัวอย่างในี้ปัญญมายกปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บพวกสุราฟังออกหมดเลยแล้วมาก็ไปจบอยู่ในญาญาติลาเทง็ง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 ไอ้พวกสารเจ้าบางทีบางแห่งทําไมโบราณจริงๆนะฮะบางทีมันไม่มีอะไรนะฮะเช่นว่าตัวบุญร่ายสุนักไปถ่ายเอาไว้คนก็เกิด เ, ออเห็นว่าเพื่อนก็จะเหยียบเอาก็สงสารเดินถืออะไรมาใบ ไ, ไม้เอก็มาโยนแหมเอาไว้บางคนก็เดินถือดอกไม้เห็นอย่า ง, างโปรยก็โยนแหมเอาไว้อันนั้นก็คนโยนแหมเอาไว้มันก็กลายเป็นกองดอกไม้นะกองดอกไม้ขึ้นมาคนก็นึกว่าศักด ศักดิ์ศรีก็มาถึงบูชาคนอื่นมาเห็นบูชาก็บูชาบูชาก็สร้างศาลท่านสามก็จ่ายเป็นเจาเวทที่เจมก็เริ่มในขี้หมากองเรียวท่านั้นเด็กมันไม่มีอะไรนะฮะเราจะเห็นว่านี่คือแนวคือแนวที่มันเสริมศรัทธาท่านั้นดังนั้นปัญหาเหล่านี้นี่มีความเป็นไปได้ถ้าเราดึงเอาไอ้ศรัทธาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาคำสอนของท่านปริากรสปะก็ดีท่านสัญชัยเวรัสบุตรก็ดีหรือว่าใครก็ดีนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งต้องเกิดผลเกิดผลได้ถ้าหากว่าเขาดึงเอาคุณสมบัติของเขาขึ้นมาใช้ พระธรรามันจะเกิดด้วยพลังของวัตถุเป็นตัวยึดนะฮะศรัทธานั้นมีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเป็นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอะไรล่ะเราเกิดศรัทธาเลื่อมใสในอะไรก็ไม่รู้นะบางทีไม่รู้อะไรหรอกมันดึงเอาศรัทธาของเรานั่นเองนะฮะแล้วขึ้นมาใช้มันก็ออกมาได้อีกอย่างหนึ่งก็เวลาตกใจอย่างที่บอกนะเวลาตกใจพลังกิตมันจะเกิดขึ้นสูงเวลาตกใจเนี่ยสามารถที่จะ วิ่งเข้าไปในกอไผ่แล้วก็ปล่อยเพื่อนถางออกมาได้เวลาวิ่งหนีตารวจอะไรคือตกใจสุดขีดนะสามารถจะวิ่งเข้าไปในกอไผ่โดยออกไม่ได้เลยแต่ตอนข้าวข้าวไปได้นั้นเพราะพลังพลังจิตที่มหาศาลมากมันขึ้นมาบูบเดียวทันเอง้งข้าวไปนอนอยู่นั้นแล้วเพื่อนถางกว่าจะออกมาก็แย่เลยนี่ก็มีตัวอย่างแย่เพราะงั้นแนวเหล่านี้มันจึงเป็นแนวซ้าซ้อน ซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเกิดและเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยมันก็มียยเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้เราดูว่าแรงรทธิษยาแรงริษยาอาฆาตพยาบาทจนกลายเป็นโมหะคลำเป้าผิดแล้วเละเลยนะฮะพวกนี้รทิษยาผิดเป้าเลยทั้งไปฤทิษยาที่ผิดเป้าแล้วไปทํางานเอากับพระพุทธเจ้าแล้วก็ดึงวงไพ่บูเข้ามามันก็แนวอาคาตวัตถุอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะดึงาา ก, กันมาก็ใกล้ยๆกับเราโกรธคนนี้เราไม่ชอบ เราไม่ชอบเราไม่ชอบพ่อแกฮะ ไ, ไม่ไม่ไม่ชอบพ่อเด็กคนนี้พอดีไอเด็กนี้เป็นลูกของคนนี้เราเกิดไม่ชอบอีกแนละ้เราเกิดไม่ชอบอีกแล้วมันลามมันลามเพราะมันมันมันเริ่มผิดเริ่มผิดมันก็ลามไปเรื่อยไปเป็นลักษณะลามปามทางความคิดเพราะงั้นพวกนี้มันเตวไฟทิศยานันไปเกิดที่อีกคนหนึ่งเห็นไหมฮะมันก็ดึงคนอื่นให้มาช่วยช่วยกันทิศยาด้วยเหมือนกับเราเหมือนกับเราเกลียดนายกรนะฮะแล้วเราก็หาพวกเพื่อให้เกลียดนายกรด้วยกัน เือจะรวบรวมสมัครพระพวกได้เล่นงานนายกอ้วยกันตั้งๆ ท, ที่ไอ้คนอื่นเมื่อก่อนนั้นเขาไม่มีอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอย่างลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะนางกินจา่ามาฑปการน่าสงสารนะแต่จริงเป็นแพรับบาปเฉยๆแพมารับบาปแล้วถูกปลุกระดมจากหลวงพ่อภายในวัดเกษตรเลยนะยอมตายนะฮะยอมตายเข้าไปทํางานที่จริงแกเดิมทีเดียวแกก็มีอะไรกับพระเจ้าแต่ว่าทําตามคําสั่งเขาเท่านั้นเองคําสั่งก็เกิดจากอะไรเกิดจากความริษยาที่ผิดเป้าของท่านนิครดนาฏบุตร แล้วก็ดึงเอาพวกสาวกเข้าไปหาสมัครพวกพวกไปดึงชาวบ้านเข้ามาร่วมบวงปาบูนเลยเละหมดเลยลักษณะลามปามของกิเลส ท, ที่มันเริ่มมาจากโมหะ ร, ริศยาแล้วก็มีโมหะมากโมหะมากมันก็ออกมาในรูปจนเนี้ออกมาเป็นโทสะโทสะแนวนี้ท่านจะเห็นว่าโมหะแย่เลยนะโทสะแนวนี้มีโมหะแย่เลยทําอะไรก็เฉยเฉยจังเลยอย่างการณียกตัวอย่างที่ข้านางสุนทรีมันก็เฉยเฉยนะฮะอันจริง เฉยๆมันมีอย่างที่ไหนคนฆ่าแล้วจะไปหมกคนไว้หน้าหน้าหน้าบ้านกันตัวเองมันก็โง่มากเลยเกินอะหรือว่าอันนี้ก็ก็เหมือนกันแบบนางเจนจ่ามานาวิกาเนี่ยฮะมันเอาอะไรรัดให้มันแน่นๆ่นกว่านั้นไม่ได้เลยแบบท่อนไม้ใส่ทำโง่อะไรมันหล่นง่ายจะตายเอาอะไรัดแน่นๆมันก็เต้นได้ตั้งนานเนี่จริงๆแต่นี้อาศัยมันโมหะมันมากเกินไปก็ออกมาในลักษณะที่ว่ายืนยันอยู่ไม่เท่าไหร่แล้วก็ตัวเองปฏิเสธ ไอสิ่งที่ตัวเองยืนยันด้วยการกระทำของตัวเองโดยไม่มีใครโจด ท, ท้วงแก้ไขอะไรแต่ประการใดดังนั้นวิธีการของท่านนิครนนาถบุตรนั้นถ้าเรามองดูว่าในวงในวงของศรราสนาในวงของศาสนาในโลกนี้นั้นทงหลายจะเห็นว่าศาสนาเป็นบางทีจุดปัญหาจุดไฟปัญหาขึ้นมาเองเพราะเพราะเหตุผลเนี่ยที่กล่าวมาแล้วคือกิเลสนะมันออกมาทางราคะไม่ได้มันวิ่งไปทางโลภะ บิ้งมันไปอัดแน่นในที่ต่างหลวพระอาตมาเคยอุปมาให้ใ ห, ให้ให้พระแก่ฟังว่ามันเหมือนกับเราก่อกําแพงดินนะครก่อกำแพงดินด้วยก่ อ, ก อ, กอขันทรายขึ้นมากต็ตามเราใส่น้ําเต็มปริมแต่มันจะมีจุดเปราะบางไม่ไม่จุดใดก็จุดหนึ่งมันจะมีจุดเปราะบางอยู่แต่ตราใดที่จุดเปราะบางนั้นยังไม่อ่อนเต็มที่น้ําก็จะขังอยู่อย่างนั้นแหละ พอจุดไหนเปราะบางมันเกิดเลาะแคนิดเดียวแต่องน้ําเริ่มไหลไปนิดนึงทีนี้แหละทีนี้แหละเริ่มกระเซาะแล้วก็บุกทะลวงทิศนั้นเลยบุกทะลวงไปทิศนั้นคล้ายๆกับพวกขันธีอย่างที่ว่านี่ครถ้าอย่างว่าขันธีนี่ออกทางราคะตัดไปเลยนะคะแต่ว่าราคะกับโลภะเป็นกิเลสพวกเดียวกันแกไม่ได้ตัดเพราะงั้แกก็วิ่งไปทางอํานาจวิ่งไปทางลาบวิ่งไปทางบริวารเพราะการจะได้อํานาจมันก็ต้องมีลาบเพื่อสร้างฐานอํานาจ แต่แต่ว่ า, าการจะมีอำ น, นาจอยู่โดยไม่มีบริวารไม่ได้แกก็ต้องหาบริวารเมื่อเมื่อหาบริวารก็ต้องมีลาบเพื่อเลี้ยงดูบริวารผมมันก็มุ่นหนึ่งมันก็ยุ่งกันหมดเลยเพตอนนั้นเลยล่าเมืองจีนเป็นยุคเป็นยุคไปเงี้ยเพราะมันจะดึงอย่างอื่นเข้ามาเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยสนองตอบของกิเลส ท, ทั้งหมดตอนนั้นถ้านใ น, น, น, น, นรรนาฏบุตรมีลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวจะจะพบว่าเมื่อท่านเร็งผิดป้าเช่นนี้ท่านก็ดึงเอาอย่างอื่นเข้ามาเพื่อ รักษาฐานของท่านแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทำลายฐานคนอื่นทำลายฐานคนอื่นเพื่อคนอื่นต่ำลงแต่ถ้าเรามองกันในแง่ของการประนีประนอมนะฮะอย่างเวลานี้อาตมาไปไหนเนี่ยจะมีคนถามเรื่องคุณพยอมอยู่ด้วยที่ที่ครูที่โน้นก็ก็ถามอาตมาบอกว่าคุณพยอมนั้นคือเราต้องต้องยอมรับว่าแกยางเด็กไอ้ความรู้อะไรแกก็แค่หน้าความนเอกท่านั้น จะมีผิดมีพลาดไปบ้างมันธรรมดานะคนเรานะและอย่าลืมว่าอาการพูดในบางทีในเราพูดในชุมนุมชนหนึ่งทำนั้นเองใช้ไปในที่อื่นไม่ได้ใช้ไปบางทีมีปัญหาแต่ถ้าบริษัทในที่นั้นชาวบ้านในที่นั้นที่เขาฟังกันอยู่ในขณะนั้นอาจจะไม่มีปัญหาอะไรอย่างไงอย่างไงนั้นก็มีส่วนบกพร่องก็มีเราก็ไม่ได้ว่าคนเขาดีหรอกแต่ว่าเมื่อเด็กมังผุดเกิดได้ช่วยกันประคับประคองหน่อยนะช่วยช่ยลอ่ลอๆตัดๆอะไร ต, ต่อะไรที่ไม่ดีนะเปื่อยๆเสียนะ รักษาเอาไว้เพื่อให้ทํางานรับใช้ศาสนาแกเป็นแกเป็นคนมีวิญญาณนะฮะมีวิญญาณเป็นคนที่มีความเสียสละดีซึ่งแนวความคิดเหล่านี้ถ้าเราถ้าเราต้องการจะเชิดชูแต่เราก็เหยียดทรงเลยแต่ถ้าเราเรานึกวันนี้เรามาทํางานช่วยงานศาสนากันช่วยคนกันนะท่านนี้คนก็ช่วยคนไปทางรู้ที่ยากก็ช่วยคนไปทางหนึ่งรุ่นนักก็จะปากก็ช่วยไปทางหนึ่งก็ช่วยช่วยกันไปหนะ มันจะไม่จําเป็นอะไรจะต้องมาล้างเพื่ออยู่คนเดียวว่าเอาที่จริงสมมุติว่าท่านนี้คนแต่ท่านจะเป็นาศาสด า, า, าอยู่คนเดียวท่านก็ช่วยโลกไม่ได้เพราะกำลังแทบไม่พอไปช่วยได้ยังไงก็ช่วยกันไปที่ใครก็ช่วยกันไปคือทําให้สาหัสสาการเกินไปและอะไรก็เลีเ่ยงไว้ก่อนช่วยรักษากันไว้เพื่อช่วยเพื่อช่วยโลกด้วยกันแต่เรามีเป้าหมายมีความคิดที่ประณีประนอมประสมควรแล้วนะเดยริษยาก็อย่าให้มากเกินไปมันก็มีแหละคนเรายังละไม่ได้มันอาจจะมีแต่ว่า ยหญ่ดิษยาเข้าเป็นนายครอบงำใจโลกระแทบบางก็กว้างขึ้นเพราะแนวของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าพระเจ้าไม่ไม่ตำหนิใครเลยนะท่านเหล่านั้นมีแต่ท่านมากิโกสารนั้นท่านเกินไปมากรกาิโุสารท่านสอนเกินไปพระพุทธเจ้าตำหนิคนเดียวและตำหนิประเด็นเดียวนะฮะไม่ใช่ตำหนิทุกประเด็น ท่านบอกไม่ไหวคําสอนของของมัคคารีนี่มันเหมือนกับผ้ากําพลที่ทำโดยผมคนท่านสอนบาปบุญไม่มีพ่อแม่ไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีอะไรก็ไม่มีหมดเลยข้าสัตว์ก็ไม่บาปมันเป็นวัตถุแทรกเข้าไปในวัตถุว่ามันเละหมดแล้วโลกก็ได้อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างนั้นนท่านบอกพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าคําสอนของมัคคารีกาชิตเนี่ยฮะพวกนี้คล้ายๆกันแต่ว่าปัจจุบัท่กัจจายณะแกถือว่าโลกเนี่ยมันประกอบด้วยสิ่งเจ็อย่าง ดินน้ำลมไฟชีวะแล้วก็อากาศดินน้ำลมไฟชีวะอากาศโ อ, อ้เจตพูดเป็นสภาวะที่คงที่ไม่แปรไม่ไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าที่แรงนั้นก็ก็ก็คือของท่านมาคามาคารมัคลารี่ท่จนแรงรือย่าทั้งก็บอกว่าเหมือนกับผ้ากำโพลที่ทำด้วยผงคนมันใช้อะไรไม่ได้เพราะว่าตอนร้อนเอามาใช้ ย, ยิ่งร้อนใหญ่ ตอนหนาวย่างหนาวใหญ่เวลาทั่วไปมันก็มีกลิ่นไม่สะอาดเวลาฝนอุ้มฝนนะมันใช้ไม่ได้สักฤดูการสองของท่านท่านมัคคริโคสารนะมีลักษณะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้นั่นใครเลยนะเพราะพระองค์อยู่เหนือเอกความขัดแยง้งเขาก็ช่วยกันทำงานพวกบุรณษกศิษย์ก็ช่วยคนระดับหนึ่งได้กั น, นี้แหละก็อย่างอย่างอย่างสมมติว่าสมมติว่าพระะยอมเนี่ย พระพยอมนั้นคือคนที่ฟังพระพยอมแล้วชื่นชมเนี่ยมาฟังอาตมาไม่ได้เพราะมันมันมันเป็นการสอนคนะระดับกั น, นสอนคนะระดับกันเพรา ะ, ะนั้นเราก็ต้องยอกย่องคนพวกนี้เอาไว้เพื่อให้ทํางานระดับผ่านนอนระดับกลุ่มหนึ่งกลุ่มชนมันเป็นกลุ่มๆไม่ใช่ว่าท่านพุทธทาสอง์เดียวคนอื่นล้างหมดให้อยู่ท่านพุทธทาสแล้วเอาจริงๆท่พุทธทาสก็ทําไม่ได้นั้นคือจิตใจ ที่เราจะต้องมองไอ้โลกระทัดเนี่ยต้องมองให้กว้างแล้วมองในแง่ของความเป็นจริงว่าสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าคนทุกคนเนีเราล้างก็ดื่นหมดมาวัดวอลหมดเราเอาไหวไหมก็ไม่ไหวไม่ก็ก็ไม่ไหวนั่นเองเลยะดังนั้นเราต้องเชิดชูยกย่องกันไว้นะศาสตาทั้งหลายก็เหมือนกันจริงก็ควรจะเชิดชูยกย่องกันไว้ว่าให้ทํางานอยู่ในสายของท่านแต่วิธีของท่านนิโครนาทบุตรมันก็เหมือนกับวิธีคริสที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยตัวเองก็ทํางานกับตัวเองไม่ไม่ได้อยู่แล้วนะที่จริงอ่ะ ช่วยแก้ปัญหาให้พระคิส ด, ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วจะมาทำลายพุทจะมายึดครองพื้นที่อยู่เรื่อยไอ้พื้นที่ที่ครองอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ปลูกผักไอ้ปลูกหญ้าอะไรขึ้นมาเหมือนกับไอ้พวกนักจองที่ดินทั้งหลายเนี่ยจองมันเดะ ม, มันมันเปรอะไปหมดเลยยึดครองพื้นที่ของชาวบ้านชาวช่องอะไรเอาแจ็คเตอร์ไปขุดไปขุดเขาแล้วไม่ไม่ทําอะไรไอ้ที่ดินที่ทําที่มีอยู่แล้วก็ไม่ทําอะไรแต่ว่าคืบครานรุกคืบหน้าขึ้นไปเรื่อยนี่เป็นลักษณะของความโลภที่ไม่ยอมหยุด เมื่อไม่หยุดมันก็ไปเบียดเบียนทำลายล้างคนอื่นแนวของท่านในครนนาฏบุตรมันก็แนวนี้แหละมันก็แนวแบบที่คริสก็ใช้ทําในปัจจุบันแต่เห็นว่าคริสาศาสนาเดียวมันก็แก้ปัญหาโลกไม่ได้แต่ถ้าแต่ละาศาสนาพยายามที่จะพัฒน า, าศาสนิกในาศาสนาของตัวเองทุกฝ่ายนะฮะอิสลามก็พัฒนาอิสลามิให้ดีคริสก็พัฒนาคริสตชนให้ดีพุทธก็พัฒนาพุทธาศาสนกิกชญให้ดีแล้วคนดีอยู่ร่วมกับคนดีมันจะเสียหายอะไรหรือเหมือนอะของผสมนะฮะ แม้แต่รวมมิตรเราจะเห็นว่าอาหารไม่บูดสักอย่างเรรวม ร, วมรวมก็ใ ส, ส, ส่ใสมันก็กินอร่อยดีนะมัหลายอย่างอะ่ะจริงมันก็ปนปนกันอยู่ก็ไม่รู้อะไรมั่งแต่มันดีๆทั้งนั้นนะฮะดีๆออมาปนกันดีๆมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนี่คือความคิดที่แค่เพราะเกิดจากตัวโลภตัวโลภต้องการจะให้อยู่ชั้นช้นคนเดียวแนวเดียวกัร น, นะฮะคือให้ฉันคนเดียวเท่านั้นเอง พอคนอื่นที่ฉันรู้สึกว่ามีอุป ส, ปสรรคต่อการที่ฉันจะอยู่คนเดียวฉันก็ต้องทำลายสิ่งนั้นออกไปแทนที่ตัวเองจะสูงขึ้นก็กลับลดตัวเองให้ต่ำลงนี่ก็คือเป็นวิธีการของท่านนิครุญนาถบุตรทีนี้ส่วนนางกินจะกมานาวิการนั้นแน่นอนนะฮะคื อ, คอ เ, รเรามองแกก็เรามองด้วยความสงสารนะฮะว่าเขเป็นผู้หญิงซื่อ ก็ศรัทธาโดยงงงายไม่ได้มีเหตุผลอะไรถ้าติงหลวงพอ่อจะหน่อยหลวงพ่อจักตาลายแล้วอีตอนนั้นติงติงหลวงพอ่อจะหน่อยมันก็คงจะจะหยุดบางเหี้นอะไรไว้บ้างในแกก็ไปไม่ได้ก็น่าสงสารก็ทําวิธีการเหล่านั้นเราจะเห็นว่ามันเกิดด้วยความริษยาพรู้แต่เจ้าตั้งใช้คำว่ า, า, วา อ, อิสาโลภสมาปันโนสมโนกิงวิวิสติคือคนที่มากไปด้วยความริษยาและโลภเนี่ยเป็นผู้สงบไม่ได้ เป็นพืชสงบไม่ได้หรือเป็นสมณะไม่ได้ไม่ว่าใครก็ตามนะฮะจะเป็นชาวบ้านหรือชาววัดก็ตามถ้าใจมันร้อนเรา่เราๆๆโดยฤทธิษยาโลภแล้วไม่สงบไม่สงบฟังวิทยุนี่ยพอก็โฆษณาเอออันนี้มันถ่าจะดีมันน่าไปซื้อไมันนั่งปรุงอย่นั้นไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปอะไรมากฟังวิทยุเราก็ไม่สงบแล้วนะฮะเพราะอะไรมันมากเพราะโลภ อ, อ, อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากได้สิ่งนั้นอยู่เลย แต่ทนี้วิธีสงบปัญหาบางอย่างไม่ใช่ทุกอย่างนะอย่าไปใช้ทุกอย่างใช้ทุกอย่างไม่ได้ปัญหาบางอย่างนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งหมดเป็นเรื่องคนอื่นทั้งหมดเขาเล่นโคลนเขาแปดเปืเป้อนถ้าเราจะกระโดดลงไปด้วยไม่รู้จะกระโดดทำอะไรนะมันเปืเป้อนด้วยบางก็ปล่อยไปเล่นไปยกเว้นแต่ในกรณีที่วันเราจะปล่อยแปดเปืเป้อนด้วย แต่เระพุทธเจ้าทนไม่แปดเปื้อนใช่ไหมก็ เ, เล่นของเขาก็ทําของเขาเป็นเรื่องของเขาพระองค์เองไม่ได้แปดเปื้อนในเรื่องเ่านั้นมันก็ต้องใช้วิธีเฉยหรือวิธีที่ด่าของนางมาคารนิยาที่เขาจ้างนางมากานิยาจ้างคนด่าพระพุทธเจ้านะด่าตั้ง7จวันนะฮะอันนี้เป็นวิธีเขาเล่นเขาเล่นโคลนเขาเองนะฮะเล่นโคลนเขาเองกับวิธีของพุทธเจ้าก็คือต้องเฉยต้องไม่โต้ตอบต้อง ต, ต, ต, ต้องไม่ทําอะไรแต่อย่าลืมว่าไม่ใช่ทุกกรณี ในบางกรณีเช่นกรณีที่เขาไปใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่าไปทําพาคลูกพากหัวเขาอะไรต่อไรเนี่ยดึงคนก็มาบวชเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องชีแชง้แจงจะต้องทําความเข้าใจให้เกิดความรู้ไม่งั้นความคิดทางสังคมก็จะเกิดความสับสนขึ้นมานังนินจามานาวิกาณนั้นเป็นผู้หญิงคนเดียวนะฮะที่ถูกตรรณีสุต เป็นเรื่องแปลกนะฮะเรื่องธรณีสูบนั้นปัจจุบันเราพูดคือว่าสายดูดสายดูเราพูดทรงเดทอะดูดที่ไหนแเรามันมีตรงไหนเราที่พาราณาสีอะมันมีสายมันมีสายดูดสายดูดป็นส่วนมากมัอยู่ตามป่าตามอะไรนะตามป่าแถวแอฟริกาเนมีแย่พวกสายดูดเนี่ยสถานที่ที่นางกินจาบมรดุกาถูกธรณีสูบมันก็ดินธรรมดานะฮะที่ปฏิวัติธรณีสูบทุกวันมันก็เป็นน้ําเป็นโคลนอยู่ท่านที่เคยไปอินเดียก็ไปเห็นเป็นการเรานึกดูถึงบ้า คนทั้งสมทั้งห้าคนคนที่ทําบุญได้รับผลปัจจุบันนั้นมีหกคนนะฮะก็มีโยมวันก่อนเขาบอกว่าจะให้อมาพูดต่อคือจะต่อวิมานนะฮะวันหลังเนะี่ยมีเรื่องอะไรที่ทวิมานสอดคล้องนะัจะต่อจากเรื่องวิมานที่กำลังพูดอยู่ ท, ที่ยานเกราะมันมีพิเศษนะฮะคนทําบุญได้รับผลปัจจุบันทันด่วนในวันนั้นเลยนะมีหกคนเท่านั้นเองแล้วคนที่ทําบาปสาหาัสสาการตกนรก ถูกแรณกตีสูบก็มีเพียงหคนเท่านั้นเองนางยินดากมนาวิการนั้นเป็นห น, นึ่งในห้าคนซึ่งก็เป็นบาปกรรมที่แรงมากนะฮะแล้วเราจะลืมการสะสมการสะสมปทุสุจิตคือจิตมุ่งใส่ร้ายพระพุทธเจ้าใช้เวลาทั้ง 7-8 เดือนกว่าที่แกจะเปลี่ยนผ้ารัดท้องขึ้นมาเป็นท้องแก่ก็นมาได้นี่ใช้เวลานานนะฮะจิตมันเต็มไปด้วยบาปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเลยสะสมติดต่อสืบเนื่อง ติดต่อสืบเนื่องเราลองดูว่าในช่วงตรงนั้นนั้นมีแต่ความคิดแนนั้นเท่นั้น แ, นนแล้วไปไปถึงวัดหลวงพ่อก็ตอกย้ำให้อีกพวกนิครนั้นตะบุกก็ตอกย้ำให้อีกเพราะงั้นแกแย่เลยนะจิตใจเนี่ยเราจะเห็นว่ากิจใจแกอาจจะขาวแต่แหมมันดําเลยนะมันละเลงในสีดําตลอดแปดเดือนเนี่ยละเลงที่ดํามืดทึ่จืดเลย น, นี่พอออกมาเราลองดูว่าที่จริงแกก็คงจะติ่มติ่มนะครับราวก่อนนะคงจะไม่แรงขนาดนั้นนะ พอพระพุทธเจ้ารับสั่งมาดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้เธอกับฉันเท่านั้นที่จะรู้ว่าว่าเป็นยังไงเมื่อเต้นได้เนี่ยสแสดงว่าแย่เลยตั้งๆตงที่ตัวรู้อยู่ในความจริงคืออะไรนะฮะถ้าคนที่ยังมีสติปัญญาคือกิเลสแกไม่แรงเกินไปแกจะเกิดก็ได้ก็อะไรมีพิรุษแล้วกลัวแล้วนะฮะหวาดระแวงแล้วตกใจแล้วไม่เต้นเลยแสดงว่าจังเลยเพราะฉะนั้ น, นก็สมแก่กับ ที่แกได้กระทาเอาไว้นะฮะก็เป็นไปตามกรรมวิธีการชนะคนประเภทนี้จึงใช้วิธีสงบเราไม่จําเป็นจะต้องไปวุ่นวายอะไรกับเขาเหมือนกับหลวงพ่อในศาสนาหรือไม่จะไม่จะในศาสนาะในนิกายเราในะนิกายเซนนะฮะที่ไอหนุ่มคนหนึ่งไอเม่ใ์ใจสาวกับหนุ่มคนหนึ่งไ อ, อเสียกันแล้วก็สาวมีท้องพ่อก็ถามว่าแกไปท้องกับใครมานี่ไม่กล้าบอก กัวจะเกิดเรื่องก็โยนแมะไปที่วัดหลวงพ่อบอกว่าท้องกับหลวงพ่อคนก็ไปด่าหลวงพ่อหลวงพ่อถามเขาว่าอย่างนั้นเหรอก็ท่านไม่พูดอะไรก็ทํานไม่รู้เรื่องเลยนะจะพูดว่าไงตัาาง้งกต่ถาม เ, เ, เ, เ, เ, เ, เ, เขาว่าอย่างนั้นเนี่ยไอ้นี่ก็นึกว่าหลวงพ่อรับพอเด็กคลอดก็เอาไปให้หลวงพ่อเลี้ยงเอาลูกหลวงพ่อเลี้ยงไปอเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยเศษแล้วก็เด็กมันก็เดือดร้อนเนี่ยว้หล่อ ก, กับหลวงพ่อถูกเลี้ยงเด็กอะ่ะ เด็กผู้หญิงก็เดือดร้อนไว้สาราภาพกับพอ่บอมองที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกดันั้นไม่รู้จะโยนไปไหนก็โยนแม่หลุงพอ่อแล้วก็เสร็จแล้วพ่อมันก็ไปข อ, อกมานํากันกไปผู้ชาย ญ, ญาติพี่น้องที่เคยด่านะฮะไปด่าก็โยกข้วบวไม่ถึงก็ไหว้ข อ, อกมาโทษหลวงพอ่อหลวงพ่อออกเข้าว่าอย่างนี้นะก็ท่านไม่ได้ผมไม่รู้จะว่ายัางไงก็เรื่องทั้งหมดนี่ท่านไม่ได้ว่าอะไรเลยอะ่ะถ้าไม่ได้ทําอะไรเลย ก็ต well ้องว่าอย่างนั้นนะฮะกาพูดพูดอยู่ประโยคเดียวเท่านั้นเองนะฮะตอนเขาว่าทําเด็กท้องท่านก็ว่าเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยก็ลูกไปเลี้ยงอว่าลูกของท่านให้เลี้ยงท่านก็เขาว่าอย่างนั้นเนี่ยพอเขามาเอาคืนท่านก็เขาว่าอย่างนั้นเนี่ยคือคือคือว่าเขาทั้งหมดนะฮะเราไม่เกี่ยวอะไรเลยทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของเขาทั้งหมดทุกขั้นตอนนี่ก็เป็นเรื่องการปรับใจนะฮะแกงหลวงพ่อนี้ท่านปรับใจแต่ของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปรับอะไรหรอกเพราะคนท่านมันอยู่ในมันมาตรฐานแล้ว นี่ก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นเป็นโลกทัศน์นะฮะเราจะมองโลกในแง่ที่ว่าถ้ามันเกิดจากแรงดันทางอารมณ์ที่เกินส่วนไปแล้วมั่จะออกมาในลักษณะนี้แต่ถ้าเรามองในลักษณะประนีประนอมคือถ้าไม่สาหัสสาการอะไรเกินไปนะฮะไม่สาหัสสาการอะไรเกินไปนั้นเราจะไม่ไปชุ้งติ่งจะไม่ไปว่าอะไรวันก่อนนี้มีลูกศิษย์โพธิละก็ส่งจดหมายมาแล้วก็ มาเล่าให้ฟังถึงถึงความคิดทีมาแนะไปที่โพธิรักษ์ในสันเตียโศกเนี่ยโพธิรัก์ก็เอาไปประกาศแก่ลูกศิษย์ว่าท่านจะคุณโศพลท่านไม่ได้อ่าท่านท่าไม่ได้ขัดขวางพวกเรานะแต่ท่านขัดสีพวกเราเพิ่งเข้าใจนะที่จริงเราก็ตเจตนาขัดสีที่จริงนั่งนังสือนั้นมาไม่มีไม่มีอะไรขัดขวางมาก็ น, นิยมก็ต้งเยอะแยะนะฮะแต่ว่าตําหนิก็ประเด็นที่บวชกันเองนะฮะ บวชกันเองนะที่โกหกว่าถ้าเป็นพระต้องไม่กินเนื้อสัตว์ถ้ากินเนื้อสัตว์แล้วไม่ใช่พระอะไรมันโกหกอะอย่างนั้นนะ่ะเราก็ชี้แจงเฉพาะประเด็นนี้มันผิดผิดให้แกก็เพิ่งเข้าใจนะหลายปีแลนะ้วหลายปีแล้วก็เพิ่งมาเข้าใจว่าท่านจุฬาโโพภน์ไม่ได้ขัดขวางแต่ท่า น, นขัดสีพวกเราแล้วก็ลูกศิษย์ก็เขียนเขียนจดหมายมาเล่านี่ก็คือเราไอ้ส่วนดีเราก็ต้องยอมรับค่ะแต่ส่วนไม่ดีซึ่งมันขัดแย้งกับศาสนาเราก็ต้องติงเขา เพื่อให้มันเกิดอะไรฮะมันเกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นภายในศาสนาเท่านั้นเองอย่าทําด้วยความโกรธความอิจฉาริษยาไอแบบที่ท่านนี้ครนทาก็แล้วกันมันก็จะมีอะไรดีขึ้นมาเป็นอันมากในชีวิตของเราสําหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไพบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี